วันนี้มีแฟนคลับส่งข้อความเข้ามาอยากจะฟังเรื่องธรรมานุสติคำว่าธรรมานุสตินี่เป็นหนึ่งในธรรมที่มีอยู่ในสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่นี้ประกอบด้วยหนึ่งกายานุปสัสสติ กายานุปัสสนาสติ 2. องเวทนานุปัสสนาสติสามจิตานุปัสสนาสติและสีธรรมานุปัสสนาสติคือเป็นอารมณ์หรือเป็นสิ่งที่จิตใจ ควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่จิตใจของเราทุกคนมาสัมผัสรับรู้กันจิตใจมาสัมผัสกับร่างกายมาสัมผัสกับเวทนามาสัมผัสกับจิตและมาสัมผัสกับธรรมนี ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติกับสิ่งที่เรามาสัมผัสไม่ถูกต้องเหมือนจับงูถ้าเราไม่ศึกษาวิธีที่จะจับงูเราก็อาจจะถูกงูกัดได้ ถ้าเราศึกษาวิธีจับงูมีเครื่องมือมีไม้มีเชือกก็มีเชือกกับมีไม้เชือกติดอยู่ปลายไม้เขาก็เอาเชือกไปคล้องของงูแล้วก็ผูกติดไว้กับไม้ก็จับงูได้อย่างปลอดภัยกายเวทนาจิตธรรมที่จิตใจ ของพวกเราทุกคนมาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเหมือนงูถ้าเราไม่รู้จักจับมันก็ถูกมันกัดได้คือใจของเราจะต้องทุกข์กับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมได้ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับอะไรทุกข์กับร่างกายหรือเปล่า เพราะเราไม่รู้จกักวิธีปฏิบัติกับร่างกายที่ถูกต้องที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกกับร่างกายเราทุกกับเวทนาทุกกับความรู้สึกต่างๆความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สุขความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขมไม่ทุก ข, ข์ความ fic, ราูม้สึกทุกข์เนี่ยเรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เวลาสุข หายไปเราก็ทุกข์ใช่อยากจะให้มันกลับมาใหม่พอมันยังไม่กลับมาใหม่เราก็ทุกข์เวลาเจอทุกข์ก็อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายก็ทุกข์อีกอันนี้คือวิธีปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จักจัดการกับเวทนาคือความรู้สึกเราจึงทุกข์กับความรู้สึกไม่ว่าจะสุขก็ทุกข์ ทุก็ทุกไม่สุขไม่ทุกก็ทุกบางทีอยู่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกก็ทุกว่าอยากจะให้มันสุขมันไม่สุขก็ทุกอีกละอันนี้คือเราไม่ได้ศึกษากันะเราก็เลยทุกข์กับร่างกายทุกข์กับเวทนาคือความรู้สึกแล้วเราก็มาทุกข์กับจิตคืออารมณ์ในจิตของเรา เรามีอารมณ์ต่างๆใช่ไหมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์สดใสเบิกบานสดชื่นอารมณ์เศ้าส้อยง่อยหงาอารมณ์ว้าเหวอารมณ์หงุดหงิดนำคาญเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์พอเกิดอารมณ์มาเหล่านี้เึ้นมาเราก็ทุกข์กับมันเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีจัดการกับมันที่จะทำให้เราไม่ทุกข์นี่คือ เรื่องของสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วสิ่งที่สีที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือธรรมธรรมก็คือสิ่งที่มีในใจของเราเช่นความทุกข์นี่ก็เรียกว่าธรรม อ, อย่างหนึ่งความดับของทุกข์ก็เป็นธรรม อ, อย่างหนึ่งต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆ ก็เป็นธรรมอ ย, าอย่างหนึง่งมักคือเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งมีเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราแต่เรายังไม่รู้จักวิธีที่จะจัดการกับมันคือแทนที่จะจัดการกับธรรมให้ดับความทุกข์เราไปกับจัดการกับธรรมให้เกิดความทุกข์กัน ด้วยการสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือธรรมมนุสติที่มีอยู่ในใจทำงานอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันไม่รู้จักมันเพราะเราไม่เคยศึกษาเรามัวแต่ไปสนใจกับ สิ่ง ต, งต่างๆที่อยู่นอกใจเรานอกกายเราเกิดไปสนใจกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้ความสรรเสริญเยินยออยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเลยไม่ได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับร่างกายกับเวทนากับอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตกับธรรมะที่มีอยู่ในใจนปัญหาของเราก็เลยก็คือมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่ไม่มีความทุกข์ใจต้องมีความทุกข์ใจไม่สบายใจไม่กับเรื่องนั้นก็เรื่องนี้ไม่กับคนนั้นก็คนนี้ไม่กับสิ่งนั้นก็สิ่งนี้ ไม่มากก็น้อยต้องมีความหงุดหงิดลำคาญใจไม่พอใจความเสียใจความกังวลความวิตกความห่วงใยความหึงหวงความรักความชังอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันล้วนเป็นเรื่องที่ทำให้ใจเราทุกข์ทั้งนั้นเป็นความทุกข์ใจพระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นผู้ที่ มีความสนใจว่าทำไมพระไทยของพระองค์จึงต้องทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆก็เลยไปส่งศึกษาไปบวชพระก่อนจะบวชตอนที่ไม่ได้บวชก็มัวแต่หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับพระองค์หาลาบยศฉลเสริญหารูปเสียงกิ่นลสต่างๆแต่ ทั้งๆ ท, ที่มีาลาบยศสรรเสริญและมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังมีความทุกข์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะองค์ก็เลยอยากจะรู้วิธีว่าอะไรมันทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วอะไรที่จะทําให้ความทุกข์ใจนี้มันหายไปมันดับไปก็ได้รู้ข่าวว่ามีพวกนัก บ, บวชที่เขาเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหา วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจพระองค์ก็เลยส่งปรารถนาอยากที่จะไปศึกษาอยากจะไปบวชเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งๆที่เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่ใจมันก็ยังอดที่จะทุกข์ที่จะวิตกกังวลกับเรื่องนั่นเรื่องนี้กับคนนั่นคนนี้ไม่ได้ กับความกับร่างกายของพระองค์เองไม่ได้ร่างกายของพระองค์พอไปเห็นว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่พอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี่ใจก็ไม่สบายขึ้นมาเมื่อรู้ว่าต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีความมีบารมีมีทรัพย์สมบัติมากมายมีความสุขมากมายทำไมยังยังทุกข์อยู่แล้วทำไมจึงต้องออกไปบวชเพื่อเพื่อไปค้นหาวิธีที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไป หลังจากได้ศึกษาค้นคว้าอยู่หกปีในที่สุดก็ทรงตัดสร่ง ข, ขึ้นมาทรงค้นพบว่าความทุกข์ของพระ อ, องค์นี้เกิดจากความอยากของพระ อ, องค์เองความอยากต่างๆแล้วความอยากในอะไรก็ความอยากในร่างกายในเวทนาในจิตนี่เองในที่ทำให้ พระไถยของพระองค์นี้ต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆแล้วหลังพอรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องกาจัดความอยากที่เกี่ยวข้องกับร่างกายความอยากที่เกี่ยวข้องกับกับเวทนาความรู้สึกความอยากที่เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆเพราะว่าโดยปกติใจจะอยากให้ร่างกายดีอยากจะให้ ความรู้สึกดีอยากจะให้อารมณ์ดีแต่มันไม่ดีตามที่ใจอยากร่างกายบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เวทนาจะให้สุขอย่างเดียวมันก็ไม่ยอมสุขอย่างเดียวบางวันมันก็ทุกข์บางวันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ก็เหมือนกันอยากจะให้จิตมีอารมณ์ดีทั้งวันทั้งคืน มันก็ไม่ยอมดีไปทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันก็ดีบ้างเดี๋ยวมันก็ไม่ดีบ้างเพราะว่าชีวิตของเราของจิตนี้มันต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆ พอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้ออ่ความรู้สึกที่มีกับสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปไปเจอคนดีก็เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาพอไปเจอคนไม่ดีก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นม า, าแล้วก็จะห้ามมันไม่ให้รู้สึกไม่ดีก็ห้ามมันไม่ได้มันจะดีมัน มันวันไหนมันจะมีอารมณ์ดีก็ดีวันไหนจะมีความสุขมันก็มีความสุขวันไหนมันจะทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นมาวันไหนอารมณ์มันจะเศร้ามันก็เศร้าขึ้นมาเราทําไมควบคุมบังคับมันไม่ได้ทําไมไม่สั่งให้มันดีไปทุกวันไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงศึกษาแล้วก็ทรงค้นพบว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดนี้มันจะดีอย่างเดียวไม่ได้มันจะดีไปตลอดไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสตามเหตุตามปัจจัยร่างกายเราบางวันดีไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้บางวันก็เกิดมีอาการเป็นไข้หวัดปวดท้องปวดศีรษะเป็นอะไร ขึ้นมาแล้วความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็รู้สึกสุขบางวันก็รู้สึกทุกข์บางวันก็รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ปัญหาของความทุกข์ใจของพวกเราบ้ อ, องบอกเกิดจากความอยากของพวกเราเองที่ไปอยากให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามความอยากของเราคืออยากให้มันดีไป ตลอดเวลาอยากให้ร่างกายมันดีไปตลอดเวลาอยากให้เวทนาสุขไปตลอดเวลาอยากให้อารมณ์นี้ดีไปทั้งวันทั้งคืนพอมันไม่ดีก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงคนพบว่าวิธีที่เราจะกาจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ก็คือ ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้อโลกมันเป็นมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมันมาด้วยกันเอมันสลับกันมาผัดกันมาเอ็นไหมฝนตกบ้างแดดออกบ้างเอมีพายุบ้างมีความสงบบ้างไม่มีอะไรที่มันนิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็มีเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มีเอ นี่คือธรรมชาติของโลกนี้ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จิตของพวกเราที่ใจของพวกเรานี้มาเกี่ยวข้องด้วยมาเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตของพวกเราเนี้เมื่อก่อนไม่มีร่างกายตอนที่ร่างกายนี้ยังไม่เกิดตอนที่ร่างกายนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในท้องแม่จิตของพวกเราตอนนั้นเป็นดวงวิญญาณ ล่องลอยล่องลอยหาร่างกายกันอยู่ทำไมจิตของเรายังจึงต้องมาหาร่างกายกันก็เพราะว่าจิตของเรามีความหลงที่เราให้เราคิดว่าถ้าเรามีร่างกายแล้วเราจะมีความสุขเพราะว่าพอเรามีร่างกายเราก็จะได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้อยากจะดูอะไรก็ต้องมีตาต้องมีหู ต้องมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายไว้สัมผัสเราถึงจะสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไนดะ้เมื่อใจของเราถูกความหลงหลอกว่าความสุขอยู่ที่การมีร่างกายอยู่ที่การใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจเวลาที่ตายไปจากร่างกายอันเก่าก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อนะ แต่ร่างกายที <im> <making fert> <oriented> ่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายอันเดียวที่เรามีกันเราเคยมีร่างกายแบบนี้มาไหมคือไม่รู้กี่และแสนล้านร่างกายแล้วเชื่อไหมร่างกายที่เรามีอันนี้เป็นอันดับที่หนึ่งแสนล้านที่เท่าไหร่แล้วเราเปลี่ยนร่างกายมาอยู่เรื่อยๆคือใจนี้เปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมานี่เราเปลี่ยนเสื้อผ้ามากี่ชุดแล้ว ตอนเป็นเด็กทาลกก็มีเสื้อผ้าของทาล็อกพอโตขึ้นเป็นเด็กหนึ่งขวบก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นของเด็กหนึ่งขวบพอห้าขวบก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยพอสิบขวบก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยเื่เสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนนี้เป็นร้อยชุดนะร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายของเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายตายไปแล้วมันก็ ถูกเผาไปถูกฝังไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันตายใจคือใครใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่เอตอนนี้ใครกําลังรู้ว่ากําลังฟังเทศอยู่ใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรร่างกายเป็นวัตถุเหมือนกับกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปมันถ่ายรูปแต่มันไม่รู้ว่ามันกำลังถ่ายรูปคนที่เป็นเจ้าของกล้องรู้ว่ากำลังถ่ายรูปเพราะตัวกล้องไม่มีตัวรู้ร่างกายก็ไม่มีตัวรู้ตัวรู้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวรู้อยู่ที่ใจที่มาเกาะติดกับร่างกายพอตาเห็นรูปมันก็ส่งรูปไปให้ที่ใจใจก็รับรู้รูป พอเสียงมาสัมกระทบกับหูเสียงมันก็ถูกส่งไปที่ใจให้รู้ให้รับรู้อีกทีหนึ่งใจที่มาเกาะติดกับร่างกายนี่เป็นผู้รับรู้แล้วก็เป็นผู้คิดคิดว่ารูปนี้ดีไม่ดีเสียงนี้ดีไม่ดีแล้วก็เป็นผู้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจถ้าคิดว่ารูปนี้ดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าคิดว่ารูปนี้ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราเกิดความสุขเกิดความทุกข์ใจก็อยากจะให้มันสุขถ้ามันสุขก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆพอมันสุขหายไปความทุกข์ใจก็โผล่ขึ้นมาอีกหรือว่าถ้าไปเจอสิ่งที่ทําให้ทุกข์ใจพออยากให้มันหายมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พอมันไม่หายพอมันไม่หายมันก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ น, นี่แหละคือใจ ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยความสุขใจความทุกข์ใจความคิดความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้มาเกาะติดกับร่างกายด้วยความหลงที่คิดว่าถ้ามีร่างกายแล้วจะได้ไปหาลาบยศสระเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสบาเสพทุกคนพอเกิดมาแล้วหาเหมือนกันใช่ไหมต้องมีสอนไหม ต้งมาสอนบอกให้ไปหาเงินกันไหมไม่ต้องสอนให้ไปหาตําแหน่งกันไม่ต้องสอนให้ไปหาสรรเสริญไม่ต้องสอนให้ไปหารูปเสียงกล็ดรถนี้ไม่ต้องสอนเพราะมันมันเอยหามานานหลายแสนล้านครั้งแล้วมันฝังอยู่ในใจเป็นนิสัย ที่มันมาเกิดมันมีร่างกายเพราะมันอยากจะมาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เองมีแต่ต้องคอยเบรกใช่ไหมพ่อแม่นี่ยคอยห้ามลูกไว้อย่าเพิ่งไปชิงสุกก่อนห้ามนลูกๆเนี่พอมันยังไม่ทันโตเดี๋ยวมันก็อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสประเสริฐถ้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นปัญหา พ่อแม่ก็ต้องคอยห้ามเช่นไปมีแฟนอย่างนี้นี่ก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแฟนนี่ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสแฟนมีรูปมมีเสียงไหมมีกลิ่นไอมก็อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนที่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนตอนที่ตนเองยังไม่พร้อมเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาพ่อแม่เลยต้องคอยห้ามคอยเบรกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีแฟน ตอนนี้ต้องไปเรียนหนังสือก่อนไปหาวิชาความรู้เพื่อที่ต่อไปจะได้ทำงานทำการมีไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ก่อนถ้าเลี้ยงตัวเองได้แล้วต่อไปจะมีแฟนก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมีแฟนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีลูกตามมาพอมีลูกมันจะต้องเลี้ยงลูกถ้าตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วใครจะไปเลี้ยงลูกอ่ะ ก็ต้องตกเป็นภาระของพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่พอแล้วยังต้องมาเลี้ยงหลานอีกพ่อแม่เลยต้องคอยห้ามลูกว่าอย่าไปชิงสุกก่อนห้ามให้มันรอถึงเวลาก่อนถึงเวลาที่พร้อมก่อนเวลาที่เลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เลี้ยงคนอื่นได้ก่อนแล้วค่อยไปมีครอบครัวค่อยมีมีแฟน ต้องคอยห้ามเพราะความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันมีอยู่ในใจตลอดเวลาที่มาเกิดก็เพราะอยากจะหาความสุขแบบนี้กันถึงมาเกิดกันพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็เปลี่ยนร่างกายอันใหม่เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเสื้อผ้าชุดนี้ขาดหรือว่าเล็กเกินไปใส่ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อชุดใหม่มาใส่ นี่แหละคือใจของพวกเราทุกคนใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายพอมาเกิดก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เข้ามาทางร่างกายเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงชมก็เกิดความสุขใจขึ้นมาได้เสียงด่าก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานมแล้วแต่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ แทนที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้กับทำให้ใจเราทุกข์เวลาเกิดความสุขใจก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆพอมันไม่สุขพอสุขหายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกแล้วพอเกิดความทุกข์ใจอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีก เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าสาเหตุของความสุขใจของความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้วาพระพุทธเจ้าสนใจศึกษาค้นคว้าเหมือนนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมีอยู่คนหนึ่งค้นคว้าพบว่าทำไมผลไม้เวลามันหลุดจากขั้วมันถึงตกลงมาทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปคาตอบคืออะไร ก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของทุกอย่างนี้ทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมันมันมีของดูดไวอันนั้นจึงทาให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าอยากจะให้ของมันลอยขึ้นมาก็ต้องมีอะไรมาดึงมันขึ้นไปที่มีแรงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเขาก็เลยคิดค้นหาใบาพัดกันเกิดเป็นเครื่องบินขึ้ น, นมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมา อมีใบพัดหมุนที่มันดึงดูดของที่ติดอยู่บนโลกนี้ที่มีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันก็ดูดให้ของลอยขึ้นไปได้เนี่ยอะไรเกิดมีเครื่องบินเกิดมีจรวดขึ้นมาเพราะคนคนเดียวนั่งคิดอยู่ว่าทำไมหยุดทำไมผลไม้เวลามันดูดออกจากขั้วมันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมันตกลงมา นี้มันเป็นเรื่องของคนที่ชอบคิดค้นคว้าพระพุทธเจ้าก็คิดค้นคว้าว่าทำไมอยู่ดีๆทำไมต้องมาทุกข์ทำไมอยู่ดีๆแบบไม่ทุกข์ไม่ได้หรื อ, อยังไงก็ค้นคว้าไปค้นคว้ามาก็พบว่าเวลาทุกข์นี่มันทุกข์เพราะว่ามันมีความอยากเพราะเกิดความอยากขึ้นมาทีไรทุกข์มันเกิดขึ้นทุกทีเวลาไม่มีความอยากทุกข์ก็ไม่มีอย่างตอนนี้ญาติโยมไม่มีทุกข์ใช่ เพาะตอนนี้ไม่ได้มีความอยากกันอแต่จะ แ, แต่จะนานสักเท่าไหร่เท่านั้นนะเดี๋ยวไปเห็นเรื่องนั้นเดี๋ยวไปเจอคนนี้เข้าเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาละพออยากขึ้นมาความทุกข์ก็มาทันทีละอ่านี่แหละคือธรรมานุสติก็คืออริยสัจสีเนี่ยที่เรียกว่าธ ร, รมมานุสติคือต้องให้เข้าใจให้รู้ว่า ความสุขความทุกข์ของเราเนี่เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขพอไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยพอพอได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของลาบยศสารเสริญสุขว่ามันไม่เที่ยงของต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน มันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็จากเราไปไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายได้ร่างกายมานี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกับมันไปร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเลยสอนให้พวกเราถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี่สรุปได้สามอันก็คือหนึ่งร่างกายสองความรู้สึกเวทนาสามอารมณ์ที่มีอยู่ในใจของเราไอ้สามตัวนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับ ดั้นวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับไอ้สามตัวนี้ก็คืออย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเที่ยงก็อย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราอย่าไปมีความอยากกับมันมันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปเพราะทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนมันได้เปล่า บอกให้มันไม่แก่ได้ไหมบอกให้มันไม่เจ็บได้ไหมบอกให้มันไม่ตายได้ไหมไม่ได้แล้วไปบอกมันทาไมไม่อยากทาไมเมื่อเช้านี้ก็มีแม่คนหนึ่งมาทายบาททุกเพราะว่าลูกต้องไปผ่าตัดเป็นมะเร็งไม่สบายใจแล้วทำไรอะได้ป่าไม่ได้แต่ทำไมไม่สบายใจเพราะอยากอยากให้หายอยากให้ปลอดภัยแล้วจะ จะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ช้าก็เร็วต้องรู้อยู่ว่ามันไม่ปลอดภัยทั้งนั้นอะร่างกายมันถ้าคราวนี้รักษามันอาจจะหายก็ได้แต่ไม่ช้าก็เร็วมันพอหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจออีกอะมันก็มีโรคใหม่หรือโรคชนิดเก่ากลับมาหายอีกแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปกันทุกคนแต่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่เห็นความจริงไม่มองความจริง อยู่ที่ความอยากอยากให้หายอยากให้ไม่เจ็บอยากให้อยู่ไปนานๆก็เลยเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าได้มาศึกษาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาถึงธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้ธรรมชาติของมันไม่เที่ยงน ะ, ะมันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่นะมีแก่แล้วมันก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของคนหนุ่มคนสาวของเด็กของผู้ใหญ่ของคนแก่มันสามารถที่จะเจ็บได้ตายได้ทุกทุกคนนะไม่ใช่ต้องมาแก่เฉพาะคนแก่ตายเฉพาะคนแก่เจ็บเฉพาะคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนเด็กก็เจ็บได้ตายได้ไม่ใช่แต่เฉพาะคนแก่นี่คือสิ่งที่เราไม่สั่งสอนจะ ใเราไม่ค้นคว้าศึกษาแล้วก็ทำให้เราลืมไปลืมไปว่าร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันพอเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่ทุกข์ เช่นคนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์ใช่ไหมเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากออตอนนี้มีคนเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกันต้องกี่คนนะียเราไม่ทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีความอยากกับเขาเราไม่รู้จักเขาเราก็เลยไม่สนใจแต่ถ้าเป็นพี่น้องเราหรือเป็นคนที่เรารักกําลังจะเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้เป็นยังไง ทุกขึ้นมาใหญ่ฮะเพราะอยากใช่ไหมอยากให้เขาหายอยากให้เขาปลอดภัยอยากให้เขาไม่ตายอันนี้แหละคือความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทำไมเราไม่อยากกับคนอื่นคนนั้นคนนี้ได้ทำไมเราต้องมาอยากกับคนนี้ทาไมก็คนเหมือนกันต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน กเพะว่าเราไปถือเพระว่าเขาเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราแต่คนนั้นเราไม่ได้ไปถือว่าเขาเป็นลูกเราสามีเราหรือพ่อแม่เราเราก็เลยไม่ทุกข์กับเขาความทุกข์เกิดจากความหลงที่ไปหลงคิดว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ของเราความจริงเขาไม่ได้เป็นของเราพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นของเราร่างกายของพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นของเรา ร่างกายของสามีของภรรยาก็ไม่ได้เป็นของเราร่างกายของเราเองก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของใครรู้ไหมเป็นของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นผู้สร้างร่างกายของเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวดินน้ำลมไฟก็จะเอาคืนไปเวลาตายปุ๊บลมก็ไปก่อนนะลมหมดลมใชม่แล้วก็ไฟก็หมดใช่หมร่างกายเย็นเฉียบ ตอมาน้ำก็ไหลออกจากร่างกายต่อไปก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่แหละก็มีแค่นี้แหละแล้วเราก็ยังไปหลงว่าเป็นของเราอย่างนั้นเพราะเป็นของเรามันก็เลยทุกข์เนี่ยเนี่ยนี่พระตจ้าให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายเพื่อที่เราจะได้รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอะไรกันหน้ามันเป็นของใครกันหน้ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงะ ไม่เที่ยงเป็นของเราหรือเปล่าไม่เป็นของเราถ้นเราไปอยากให้มันเป็นของเราทาไมอยากให้มันเที่ยงทาไมเพราะอยากแล้วมันทุกข์เพราะมันไม่มีวันที่จะได้ดังใจอยากอยากให้มันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เที่ยงอยากให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละอยากให้มันไม่แก่มันก็แก่ใชอยากให้มันไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากให้มันไม่ตายมันก็ตาย อยากจะให้มันเป็นของเราไปตลอดมันก็ไม่เป็นของเราไปตลอดเป็นได้แค่แปดสิบเก้าสิบปีมันก็ขอกลับไปบ้านเก่าแล้วนะกลับไปเจ้าของเก่ากลับไปหาดินน้ำลมไฟนี่ต้องศึกษาศึกษาบ่อยๆจะงั้นทั่งปล่อยไล่วาง ปล่อยให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมเวลามันจะขอบกลับบ้านเก่าก็ให้มันไปเวลามันแก่ก็ให้มันแก่ไปเวลามันเจ็บใกล้มันเจ็บไปเวลามันตายให้มันตายไปถ้าทำใจได้ก็จะไม่ทุกข์กับมันทีนี้เราทำใจไม่ได้ทั้งๆที่รู้อยู่นี่คุยกันนันนี้รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอเกิดไปปวดหัวขึ้นมานี่ตกใจกลัวแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า ปวดหน้า อ, อกขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นเปล่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเอคิดอะไรต่างๆนานาแล้วถ้ามันเป็นแล้วจะทํำยังไงอป็นมันก็ต้องเป็นรักษาถ้ารักษาไม่หายจะทำยังไงอ่ะก็ตายสินั่นแหละให้ศึกษาให้ยอมรับความจริงอันนี้ไว้แล้วถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์กนะับมันเพราะเราไม่ได้ตายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเข้าใจไหมเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ที่มาครอบครองร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนตุ๊กตาหรือเป็นคนรับใช้ที่เราเอามาใช้ให้ไปหาอะไรต่างๆมาให้กับเราไปหาความสุขให้กับเราพูดง่ายๆไปหาราบยศสารเสริญสุขมาให้กับเราอแต่มันก็ไม่เที่ยงมันหาได้ไม่นาน เจ็ดสิบแปดสิบปีมันก็หมดแรงและไปไม่ไหวแล้ะดูคนแก่คนเท่าไปไหนได้ป่ะใช่ไหมนี่คือกายะกายะนุสสติปฐานกายุเนี่ยคือให้เรามาศึกษาธรรมชาติของร่างกายให้เข้าใจว่าร่างกายนี้มัน เป็นสามอย่างคือหนึ่งมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเกิดแกเจ็บตายสองมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟสามถ้าไปอยากให้มันเป็นเราเป็นของเราอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากก็ต้องยอมให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงยอมไม่ยอมมันก็เป็นของมันอย่แล้ดีอว อย่นฝนน่ะฝนมันจะตกอยู่แล้วจะยอมให้มันตกไม่ตกมันก็ตกอ่ะถ้ายอมให้ตกก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมให้มันตกแล้วมันตกก็ทุกข์เช่นเย็นวันนี้จะจัดงานนอกนอกบ้านท่านหน่อยข้างนอกบ้านท่านหน่อยฝนฟ้าทับท่าจะมานี้เจ้าเจ้าของงานนี่ทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าว่ามึงทุกข์ก็ทุกข์ถ้าตกก็ตกก็นั่งกินงินเปียกๆกันเหรอวะมันก็ไม่ทุกข์เข้าใจไหม ความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความอยากของเราปัญหาของพวกเรามีอยู่แค่ตรงนี้แหละคือความทุกข์ใจกันถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ใจแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสุขมีมากมีน้อยไม่สำคัญไม่มีก็ไม่สำคัญตราบใดที่เราไม่มีความทุกข์ใจแล้วเราจะมีความสุขใจ ความสุขใจที่ไม่ต้องมีอะไรให้มาให้ความสุขกับเราไม่มีเงินทองก็มีความสุขใจได้ไม่มีตำแหน่งก็มีความสุขใจได้ไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นสส <c oughs> <c oughs> ก็มีความสุขได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับใจของเราคอยควบคุมความอยากของเราคอยหยุดความอยากของเราเท่านั้นเอง <c oughs> การที่เราเห็น ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เห็นวิธีการหยุดความอยากว่าจะทำให้ใจเราหายหทุกข์นี้เราก็เรียกว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาออการเห็นอริยาาสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเราแต่เรามองไม่เห็นกัน เ, ออ เ, ออเราเห็นแต่ทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรพอเราทุกข์เราก็ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปว่าเขาเพราะหาว่าเขาเป็นต้นเหตุทาให้เราทุกข์ มึงไม่ดีเนี่ยมึงทำให้กูเดือดร้อนวุ่นวายแต่ความจริงใจของเราต่างหากที่ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราเราก็ไม่เราก็ไม่วุ่นวายใจที่เราไปวุ่นวายใจเพราะเรารักเขาเช่นลูกเราเราก็รักอยากให้มันดีพอมันไม่ดีมันก็ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมา พอเราไม่เข้าใจธรรมชาติของลูกว่าเขาก็เป็นอย่างนี้บางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีถ้าเขาไม่ดีเราสอนเขาให้ดีเขาไม่ยอมดีเราจะทำยังไงมาเขาก็ไม่ดีของเขาเขาก็มีสันดานของเขามาติดตัวเข้ามาแต่คนเราแต่ละคนนี่มีสันดานดีสันดานชั่วติดมา พระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมก็คือสันดานเราทำกรรมอะไรไว้มันก็ฝังเป็นนิสัยเป็นสันดานขึ้นมาเคยกินเหล้ามันก็จะกินไปเรื่อยเล่นการพ น, นันมันก็จะเล่นไปเรื่อยติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานขึ้นมากลายเป็นสันดานที่ไม่ดีไป ส่วนสันดานที่ดีก็มีบับางคนก็ขยันชอบทํางานชอบหาเงินชอบทําบุญอ น, นี้ก็เรียกว่าสันดานดีพวกสันดานดีแล้วก็เรียกว่าบาลมีทานบารมีศีลบารมีอันนี้ก็เป็นสันดานที่มันติดตัวขึ้นมากับติดมากับจิตใจของแต่ละคนลูกนี้ถึงแม้จะเป็นลูกของเรามันก็เป็นลูกเพียงทางร่างกายเท่านั้นแหละ หน้าตาของมันเหมือนเราแต่นิสัยสันดานของมันมอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้เพราะว่ามันนิสัยสันดานไม่ได้มาจากเรานิสัยสันดานมาจากกรรมที่เขาทำไว้เขาเคยทำอะไรไว้มันก็จะติดเป็นนิสัยติดเป็นมาเป็นสันดาน ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายใจกับเขาถึงแม้เราอยากจะให้มันดีแต่มันไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเขาเป็นนิสัยของเขาเป็นสันดานของเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นกล้ว ย, อยนี่จะไปอยากให้เขาเป็นส้มได้หรือเปล่า hmm. นั่นสิเราไปอยากทำไมก็สอนให้มันเป็นส้มแต่ถ้ามันเป็นไม่ได้ก็ต้องให้มันเป็นกล้วยไป ก็เหมือนกันลูกมันไม่ดีสอนให้มันดีได้นี่ไหมลูกอย่าไปกินเหล้านะลูกอย่าไปเที่ยวเตะอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปเสพยาเสพติดบอกมันได้สอนมันได้แต่มันถ้ามันจะทําไปห้ามมันได้ปะถ้ามันทํำก็แสดงว่ามันสันดาลมันชอบอย่างนี้ไง เขาแสดงว่ามันเป็นคนชอบของไม่ดีก็แสดงว่ามันเป็นคนไม่ดีมันเป็นส้มหรือมันเป็นกล้วยเราไปอยากให้มันเป็นส้มไม่ได้เราบอกมันได้ว่ามันเปลี่ยนได้จากส้มมาเป็นกล้วยหรือจากกล้วยมาเป็นส้มนี่เปลี่ยนได้แต่เขาต้องเปลี่ยนเองเราเปลี่ยนให้เขาไม่ได้เราเพียงแต่บอกวิธีได้บอกว่าอย่าทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะแล้วต่อไปเขาก็จะดีได้ แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะทุกข์กับเขาวุ่นวายไปกับเขาอยู่เรื่อยๆเมื่ อ, อไหร่มันจะดีสักทีเมื่อไหร่มันจะอะมีความรับผิดชอบเมื่อไหร่มันจะโตสักทีคิดอย่างนี้ไปเรื่อ ย, อยคิดทีไร ก, ก็ทุกทุกทีแต่พอมาใช้ปัญญาวิิจารณาดูว่าอความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปอยากทําเลย อยากแล้วมันก็ทุกไ ป, ไปเปล่าๆอยากไปเปลี่ยนเขาแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้มันก็ทุกเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของความอยากที่ทําให้ใจเราทุกกันเนี่ยนั้นทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุกกันนี้มันไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ใจของเราที่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นอย่างนี้แต่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกเนี่ถ้าเขา เป็นอย่างที่เราอยากเราก็ดีใจแต่ดีใจไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นอีกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในใจของเราได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจนบางทีเขาก็ลาคาญบางทีเขาตามใจเราเอาอยากจะให้เป็นอะไรเขาก็เป็นพอพอเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกพอมีอย่างนี้แล้วก็อยากให้มีอย่างนั้นอีกเขาในที่สุดเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากจะทาตามที่เราอยาก พอเขาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็ทุกข์เราก็เสียใจนั้นปัญหาทั้งหมดมันกลับมาที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขนพอได้ก็ดีใจดีใจเดี๋ยวเดียวแต่ไม่พอเดี๋ยวอยากได้เพิ่มขึ้นนะอได้ครื่องก็อยากจะเอาศอกอ่ะ ได้สอบก็อยากจะเอาวาเห็นไหมเพิ่มึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นขอให้ได้ร้อยนึงก็ดีใจแล้วต่อไปก็อยากจะได้พันนะพอได้พันก็อยากจะได้หมื่นมันอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ป๊บก็เสียใจทันทีหรือได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจสิ่งที่เราได้มันก็ไม่รับประกันว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะบางทีได้มาแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้ได้เงินมาแล้วเราจะเก็บไว้เฉยๆเปอ เราก็ต้องใช้ใช้เดี๋ยวมันก็หมดเพอหมดมันก็ทุกข์อีกเพอไม่มีเงินใช้มันก็ทุกข์อีกนี่คือปัญหาของพวกเราทุกคนคือความอยากของเราถ้าพวกเราเห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของเราเกิดจากความอยากแล้วถ้าเราละความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจต่างๆได้ จะละได้นี่เราต้องมีเครื่องมือเพราะว่าอยู่ดีๆบอกว่าต่อไปนี้จะไม่อยากได้แล้วแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเคยอยากมานานแล้วอยู่ดีๆจะบอกให้มันหยุดอยากมันไม่ยอมหรอกวิธีจะหยุดอยากต้องบังคับมันต้องห้ามมันต้องมีเครื่องมือเหมือนรถยนต์เนี่ยเวลารถมันวิ่งเนี่ยถ้าอยากจะให้มันหยุดไปอยากให้หยุดบอกให้มันหยุดเฉยๆมันไม่หยุดหรอกต้องมีเบรกต้องเหยียบเบรกถึงจะหยุด ต้องมีเครื่องมือหยุดนั่นใจเราก็เป็นเหมือนรถยนตอนนี้มันวิ่งวิ่งด้วยความอยากมันอยากนู่นอยากนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานู่นอยากทํานี่อยากไปทั้งวันจนถึงเวลาหลับนะถึงจะหยุดอยากชั่วคราวแล้วพอตื่นขึ้นมาใหม่ก็อยากใหม่ทีนถ้าเราอยากจะให้หยุดความอยากได้นี้เราต้องใช้เครื่องมือ พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าเครื่องมือมีอยู่สาันคือทานศีลภาวนาทำทานควาว่าทำทานก็คือเอาเงินที่เราอยากจะไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่จำเป็นเอาไปทำบุญพอเอาเงินที่จะไปทำตามความอยากก็ไปทำบุญไม่ได้ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หายไปอันนี้คือหน้าที่ของการทาทานถ้าเรามีเงินแล้ว อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าเอาไปทำตามความอยาก เพราะมันไม่ทำให้เราอิ่มไม่ให้เราพอมันจะทำให้เราอยากเพิ่มขึ้นได้เที่ยวที่นั่นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นี่ที่นโน่นต่อได้กระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้กระเป๋าอีกใบหนึ่งได้รองเท้าอีกคู่หนึ่งถ้าเราต้องการกำจัดความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดก็ต้องเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทาบุญทาทานเอาไปให้คนอื่นเอาไปบอยจากเอาไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน พราะเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยากความอยากที่ที่อยากมันก็จะเบาลงไปต่อไปความอยากซื้อนู่นซื้อนี่อยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ก็จะหายไปเพราะเราไม่ได้ไปตอบสนองความต้องการของมันอันนี้คือวิธีอันแรก ในการที่เราจะมากำจัดความอยากที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่มีอยู่ในใจของเราความอยากใช้เงินตามความอยากก็ต้องเอาเงินไปทำบุญเสียพอไม่มีเงิน พอเงินไปทำบุญหมดก็ไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีต่อไปเวลาไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้เพราะไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่มีความอยากไปซื้อของหรูหรา แต่ถ้าลองไปใช้เงินตามความอยากไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเวลาไม่มีเงินซื้อมันจะงหงุดหงิดนล้สิเคยมีเคยอยากซื้อก็ซื้อได้ก็อยากเที่ยวก็เที่ยวได้แล้วพอวันไหนไม่มีเงินขึ้นมานี้ความอยากเที่ยวอยากซื้อมันยังมีอยู่ก็จะไม่สบายใจนะอยู่บ้านเฉยๆก็หงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาเอ่อันนี้คือวิธีแก้ความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดจากความอยากใช้เงินตามความอยาก แล้วทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอาไปทำบุญทาทานแล้วจะเกิดความสุขใจมากกว่าที่ได้ไปเที่ยวเลยความสุขที่ได้จากการทำบุญนี่มันอิ่มนะมีความอิ่มใจสุขใจลองไปถ่ายวัวถ่ายโคดูลองไปปล่อยนกปล่อยปลาดูลองไปช่วยคนทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนดอูแล้วจะเริ่มความรู้สึกอิ่มใจสุขใจที่เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์ขึ้นมา เพราะถ้าเราคิดมุมกลับว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราจะต้องถูกเขาประหารชีวิตวันนี้แล้วมีคนมาถ่ายชีวิตเรา่านี้เราจะรู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมาก พอเรารู้ว่าเขามีความสุขมากจากการกระทําของเราเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาซึ่งไม่เกิดจากการเอาเงินไปเที่ยวไม่เกิดจากเงินเอาเงินไปซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆความสุขที่ได้จากไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยสุขเดียวเดียวสุขไม่กี่ชั่วโมงมางทีหายไปละพอจ่ายเงินซื้อของปั๊บนี่ความสุขที่ได้จากซื้อของมา พอกลับไปบ้านมองของของว่ามันู้ซื้อมาทําไมเ ก, กะกะบ้านก็มีแต่ตอนที่เห็นน่าอยากได้นี่มันอดไม่ได้พอได้ซื้อแล้วรู้สึกดีใจมีความสุขใจพอกลับมาบ้านมีปัญหาสิหาที่เก็บไม่ได้มัรู้จะไปเก็บไว้ที่ตรงไหนนี่คือเรื่องของการใช้เงินที่ถูกต้องใช้เงินที่ทําให้เกิดความอยากให้ความสุขและกำจัดความอยากต่างๆ เพราะว่าต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีเงินหรือเราไม่สามารถไปทําตามความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่มีความอยากคอยกดดันเราให้ไปไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เวลาแก่ก็จะแก่อย่างมีความสุขเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชอปปิ้งอยากจะไปที่นั่นที่นี่อันนี้วิธีแรก เราต้องใช้การทำบุญทำทานมาหยุดความอยากต่างๆที่เกิดจากการใช้เงินทองสองเราก็มาต้องมารักษาศีล เพบางทีเราก็มีความอยากจะฆ่าคนนัน้นอยากจะตบยุงอยากจะฆ่ามดอยากจะฆ่ามแมลงความอยากเหล่านี้ก็เป็นพิษเป็นภัยเวลาอยากจะตบยุงแล้วตบมันไม่ได้ ย, ยุงมันก็คอยมารบกวนเรานี่มันก็ทำให้เราลำาขนญใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามาถือศีลว่าเราฆ่าเขาไม่ได้ปล่อยให้มันบินไปมันจะกัดเราก็ให้มันกัดไปพอมันกัดไปเสร็จมันก็ไม่มายุ่งกับเราแล้ว นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะมาหยุดความอยากด้วยการกระทาที่ไม่ดีของเราเพราะการกระทาบาปมันจะทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบายนั่นเองเวลาเราโกหกใครนี้เราสบายใจัหมเวลาเราขโมยของของคนอื่นมาเราสบายใจไหมไม่สบายใจหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้ขโมยของไม่ได้ไปโกหกนี่เราเฉยๆรู้สึกไม่เดือดร้อน ใครจะมาว่าเราอย่างไรเราก็เราก็เกถียงได้เต็มปากเราไม่ได้ทำเราไม่ได้พูดเนี่ยแต่ถ้าเราทำแล้วมันเถียงไงก็ไม่เต็มปากแล้วก็คอยวิตกกลงวันว่าจะมีใครเขารู้หรือเปล่าจะมาถูกเขาจับไปลงโทษหรือเปล่ายัาง้งเราต้องหยุดความอยากที่จะทำบาปอยากจะฆ่าก็ต้องอยากฆ่าอยากจะลักทรัพย์ก็อย่าลักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็อย่า อยากจะโกหกก็อย่าอยากจะดืมมุราก็อย่าอย่าทำต่ไม่ทำได้ก็ต่อเมื่อเราไปถือศีลไปรักษาศีลกันน้าศีลรักษาศีล ก, ก็ต้องเอาให้มันศักดิ์สิทธิ์ต้องรักษาศีลต่อพระพุทธรูปหรือต่อพระพุทธเจ้าเลยเราจะได้รู้ว่าเรามีให้คำมั่นสัญญากับพระแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ซื่อตรงต่อการให้คำมั่นสัญญา ถ้าเราสมาทานศีลต่อกับพระหรือกับพระพุทธรูปเนี่ยแสดงว่าเรามีสักขีพยานแล้วพระเขารับรู้แล้วมันก็จะทําทให้เราไม่กล้าทําบาปเวลาเกิดความอยากทําบาปขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเราหยุดความอยากทําบาปได้ไม่ทําบาปใจเราก็สบายไม่ทุกข์นี่ก็ถือวิธีกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากชนิดต่างๆ ความอยากใช้เงินก็ใช้เอาไปเอาเงินไปทำบุญเสียความอยากทาบาป ก, ก็ถือศีลเสียแล้วมันก็จะได้ไม่ทำบาปแต่มันยังมีความอย า, อยากอย่างอื่นที่ยังเหลืออยู่ในใจความอยากมีอยากเป็นอยากได้นูน่นอยากมีนี่มันยังมีอยู่ก็ต้องมาหัดฝึกใจหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ ใจเราก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดความอยากมันก็ต้องหยุดตามเพราะความอยากมันเกิดจากความคิดก่อนพอเราคิดถึงคนนั้นก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยพอได้ยินเสียงอย่างนี้ก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็จะไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาพอคิดถึงกระเป๋ามันก็อยากจะได้กระเป๋าคิดถึงรองเท้าก็อยากจะได้รองเท้า พอเราไม่คิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าความอยากได้กระเป๋ารองเท้ามันก็ไม่เกิดนะ น, นี้ก็วิธีที่เราจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่เลยก็คือเราต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันวิจิตจะสงบได้ต้องมีสติคอยคอยเบรกคอยหยุดความคิด เช่นสมมติเรากําลังคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าเราหยุดจะอยากจะหยุดคิดถึงคนนั้นคนนี้เราลองมาท่องพุโทโธดูสิพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจถ้าอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะจิตเราคิดได้ที่เราเลืองเท่านั้น hours. สังเกตดูเวลาทํางานเราจะทํางานที่ดาไลหลายเรื่องพร้อมกันได้ไหม αι? ทําไม่ได้ทําบัญชีก็ต้องอยู่กับบัญชีไม่ได้ทำบัญชีแล้วไปทํากับข้าวอย่างนี้มันทําพร้อมกันไม่ได้ มม่ต้องทับที่ใดอย่างต้องคิดที่ใดอย่างถ้าเราอยากจะหยุดคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ใช้พุโทโธเพราะพุโทโธนี้มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพียงมันเป็นเหมือนอย่างลบมาลบความคิดต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาในใจเพราะว่าถ้าเราไม่คอยลบมันเดี๋ยวมันพอมันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะมีความอยากตามมา คิดถึงกาฟแฟเล้ยวก็อยากจะดื่มคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาคิดถึงละครก็อยากจะดูขึ้นมาพอเราไม่คิดถึงร่องมาหล่านี้ความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาความอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันพออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่สบายใจก็ลองมาพุทโธดูสิพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความอยากที่ให้เขาอยากเป็นอย่างนั duck, <oy babies. S 1> ้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไป พอเราไม่ไปคิดถึงเขาเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปนี่คือวิธีการที่เราจะสามารถหยุดความอยากได้อย่างเต็มร้อยคือให้มันจิตนิ่งพอนิดพอจิตเรานิ่งไม่คิดอะไรความอยากต่างๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีพอเราไม่นิ่งพอเราเริ่มคิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถ้าเราอยากจะให้มัน ไม่อยากเราต้องใช้ปัญญาตัวที่จะมาสอนใจว่าความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปมันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วเวลาได้ก็ดีใจ <c oughs> เวลามันจากไปเวลามันเปลี่ยนไปนันก็ทำให้เราเสียใจ ถ้าเราไม่อยากจะไปเสียใจก็อย่าไปอยากมีอะไรอยากได้อะไรทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรเราทุกข์กับสิ่งที่เรามีใช่ไเราไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีรถก็ต้องทุกข์กับรถมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติแต่ถ้าเราไม่มีแล้วมันจะไม่ทุกข์ไม่มีอะไรให้เราทุกข์ ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอยู่กับความสงบก็ต้องฝึกสมาธิเรื่อยๆไปบวชเป็นชีเป็นพระนั่นละนั่นแหละคือวิธีอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่ด้วยอยู่กับความสงบหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วใจจะมีความสุขยิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมื่นล้านแสนล้าน ว่ามีเงินทางหมือนล้านแสนล้านจะคิดว่าสุขอย่างเดียวเหรอมันสุขจริงแต่มันก็มีทุกข์ด้วยกังวลไหมมีเงินหมื่นล้านแสนล้านจะให้ใครดีเวลาตายไปแค่นี้ก็ทุกข์แล้วกูอุตส่าห์หามาท้าเป็นแ้าตายเดี๋ยวกูต้องตายแล้วเอาไปไม่ได้จะทำยังไง นี่คือปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาใจอยากได้นี้บอกว่ากำลังไปหาความทุกข์นะอยากได้แฟนพอได้แฟนมาคิดว่าจะได้ความสุขอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเวลาแฟนเปลี่ยนไปก็จะทุกข์ละเวลาได้กันใหม่ๆก็เอาเอาใจกันชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆสักพักต่อไปชี้ฟ้าก็ไม่เป็นฟ้าละชี้นกก็ไม่เป็นนกละ เมื่อก่อนคอยเอา อ, อกเอาใจตาต่อตาก็เอาใจเขาแล้วสิต่างคนต่างเอาใจของตัวเองพอต่างคนต่างเอาใจตัวเองเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันความสุขที่ได้จากการอยู่ร่วมกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาให้มองให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ข้างในรอห ล, ลอกเราอยู่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดน่ะ เหยื่อนี้มันถ้าเป็นเหยื่อล้วนๆก็สบายแต่ถ้าเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเดี๋ยวถูกละขอเบ็ดเกี่ยวปากเราจะทรมานใจจะทุกข์ทรมานใจนี่คือความจริงของความของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันต้องมีความทุกข์ตามมา นี่คือปัญญาปัญญาที่เราเรียกว่ามรรคในอาาริยสัจสี่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะละความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็ไม่ทุกข์ ใจของเราก็จะสบายไปตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากให้ของที่เราไม่อยู่อยู่กับเราไปเรื่อยๆมันจะไปก็ให้มันไปเวลามันไปเราก็ไม่ทุกข์เนเวลาเราต้องจากมันเราก็ไม่ทุกข์นี่คืออริยสัจสีที่เราเรียกว่าธรรมานุสติก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนในสติปัฏฐานสี ขั้นต้นเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีตัวที่จะมาดู กายเวทนาจิตธรรมได้สติเป็นเหมือนแว่นขยายเป็นเหมือนกล้องจุลทัศน์ถ้าเราอยากจะดูเชื้อโลกนี่เราต้องมีจุดกล้องจุลทัศน์เราถึงจะเห็นตัวเชื้อโลกเพราะตัวเชื้อโลกมันละเอียดมันเล็กมากต้องใช้กล้องขยายถึงจะเห็นฉันใดเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นของที่ละเอียดที่เราต้องมีสติ ถึงเราถึงจะสามารถศึกษากายเวทนาจิตธรรมได้พอเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กายเวทนาจิตธรรมนี้มันไม่เที่ยงถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราเพราะว่ า, ม, ามันไม่ได้เป็นของเราพอเราหยุดความอยากไม่เที่ยงได้หยุดความอยากไม่ให้มันเป็นของเราได้ เราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือ เรื่องของธรรมานุสติก็คือต้องศึกษาสิ่งต่างๆที่จิตใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยคือร่างกายความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่มีอยู่ในใจเราให้เห็นว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไปอยากกับเขาแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากกับเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์สงบง่ายๆก็แค่นี้อย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับเวทนาอย่าไปยุ่งกับอารมณ์ มันจะดีก็ดีมันจะไม่ดีก็เรื่องของมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่มันไม่ดีไปทุกวันแล้วมันก็ไม่ชั่วไปทุกวันมันสามวันดีสี่วันไข้เราก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าอยากแล้วเราจะทุกข์เนี่ยนี่คือเรื่องของธรรมานุสติที่มีแฟนคลับได้ขอให้พูดก็พูดแบบนี้แหละจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงก็คิดว่า ขอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนายะทาวาริวหาาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปับปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธาเมนะโชติอารโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตลาโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีดิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางโอเคนะเดี๋ยวขอพูดธรรมะต่อละมีช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 306ย t u b e 222วิทยุออนไลน์38ผู้รับฟังบนเขา46รวม612ท่านค่ะเียวทุกวันมีคนประมาณนี้ติดตามฟังเทศ สนใหญ่อยู่ทางบ้านผ่าน YouTube ผ่าน Facebook กัน Facebook ตอนนี้เพิ่งเปิดหน้าใหม่เพราะหน้าเก่ามันเสียใช้ไม่ได้คนที่ติดตามหน้าเก่ามันกำลังเคว้งคว้างกันก็เยอะหาไม่เจอแต่ถ้าค้นหาหน่อยถาม Google ก็ได้ใส่ชื่อพระอาจารย์สุชาติเข้าไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้ คำถามจากคุณพิทักษ์ในการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หากเรายังไม่มีกําลังทรัพย์สามารถตอบแทนบุญคุณท่านโดยการมอบเงินให้ตามโอกาสที่สมควรเราสามารถถือเอาการปฏบิบัติบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านแบบนี้จะถือได้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านหรือไม่ครับคือทำอะไรให้เกิดประโยชน์สุขกับท่านก็ใช้ได้ ใช้เงินทองก็ได้ใช้กําลังกายใช้เวลาของเราก็ได้ไปเยี่ยมท่านไปอยู่กับท่านบ้างไปช่วยท่านทํานูน่ทนทํานี่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทองเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ท่านได้เห็นหน้าเราได้ยินเสียงเราท่านก็ดีใจแล้วฉะ น, นคนที่สมัยนี้เราสะดวกติดต่อกันได้ควรจะโทรคุยหากันวันละครั้งก็ยังดีทักทายกันห้านาทีสิบานาที ทำให้พ่อแม่มีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่ถูกทอดทิ้งบางทีเรามัวแต่ยุ่งกับปัญหาของเราจนกระทั่งเราลืมพ่อลืมแม่ไปโบราณก็ถึงมีธรรมเนียมให้เรากลาบพ่อกลาบแม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับท่านให้เรากลาบเราก็กาบกาบพราเสร็จก็ให้ก่าบพ่อกลาบแม่เพื่อเราจะได้เลิกถึงพระคุณของท่านเมื่อเราเลึกถึงพระคุณแล้วเราจะได้ไม่ลืม ถ้าพอเราเมว่าเราว่างเราก็อยากจะไปหาท่านไปพบกับท่านหรือไปทำอะไรให้กับท่านานี่คือเรื่องของการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่ที่มีบุญคุณกับลูกหลานยิ่งใหญ่มหาศาลที่ลูกหลานไม่มีวันที่จะสามารถตอบแทนคืนได้ยิ้นทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรทำไปเถิดเป็นบุญเป็นกุศลท่านบอกเหมือนกับได้ทาบุญกับพระอรหรันต์ มีคำถามเลยเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปแขกคนนี้ก็แฟนคลับทัศการค่ะหลวงพ่อหนูมีคำถามเอ่อสิ่งทีเ่เมื่อสักสองสองวันหนูฟังธรรมหลวงพ่อทางผ่านเคเบิลหนูก็นั่งสมาธิแล้วก็ใจหนูฟังเสียงธรรมหลงพ่อ มันมีมันมีขณะหนึ่งที่ใจหนูหายหูหนูดับแล้วแต่หนูไม่พูดโทรนะคะพอหนูรู้แต่หนูเสียงหลวงพ่อก็เหมือนแบบจากที่มันดังอยู่ฟังในทีวีอ่ะมันก็เหมือนแบบมันคอยอยมันอยู่ไกลใช่ค่ะจิตเหมือนเดินเข้าไปในถ้ำไงพอจิตเข้าไปในถ้ำเสียงที่อยู่นอกถ้ำมันก็จะรู้สึกไกลไกลออกไปแสดงว่าจิตเราเข้าสู่ความสงบอ่ะทีนี้พอหนู หนูรู้สึกเช่นนั้นปุ๊บหนูไม่ได้พูดโถ่หนูพยายามเอาใจของที่หนูตั้งใจฟังพระอาจารย์อยู่อ่ะพยายามเอาเสียงนั้นกลับมาหนูก็ไม่รู้ว่าเอ๊หนูทำถูกหรือหนูควรพูดโถ่อ๋อควรไม่ควรทำอะไรเลยควรจะรู้เฉยเฉยถ้ามันสงบก็ไม่ต้องไปขวายคว้าหาอะไรให้มันสงบให้มันหูดับตับไหมไปอย่างนั้นนาน แสดงว่าหนูยังผิดอยู่ค่ะแล้วยังไม่เข้าใจแล้วยังคิดว่าเราต้องมีพุโทโธมีธรรม ะ, ค, ะความจริงพุโทโธธรรมะเป็นเหมือนบันไดเพาะยพอเราขึ้นถึงชั้นที่เราต้องการไปเราก็อยากกลับเดินไปที่บันไดนพอจิตสงบแล้วก็ทิ้งพุโทโธทิ้งเสียงต่างๆ่เพราะอ่า น, นั้นเป็นเหมือนบันไดที่จะพาเราไปสู่ความสงบ ฟังธรรมนี้ก็ฟังเพื่อให้สงบ <คะ S 1> พอจิตสงบแล้วไม่ได้ยินเสียงธรรมก็ไม่ไม่เป็นไรไม่พองไปสนใจอพอสงบแล้วไม่ได้พุโทโธก็ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันสงบมันนิ่งมันเย็นมันสบายก็ให้อยู่กับความเย็นสบายไป <คะ S 1> ให้มีสติคอยประครับประคองให้รู้อยู่เฉยเฉยอย่าปล่อยให้จิตคิดอยา่าปล่อยให้จิตอยากพอจิตคิดจิตอยากมันก็จะทาให้จิตหายสงบ ใช่ทุกศาสนาสุชาติาตาตคะบางคนนั่งสมาธิเองไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมนี้ก็เป็นอารมณ์แทนพุทโธได้อารมณ์แทนลมหายใจเข้าออกได้เพราะว่าฟังธรรมมันง่ายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่นั่งฟังเฉยๆถ้าพุทโธนี้ต้องบังคับใจให้พุทโธหรือถ้าดูลมก็ต้องบังคับให้ดูลมแต่ฟังธรรมนี้เพียงแต่นั่งใจฟังนั้นเอง บางคนถึงอาศัยการฟังธรรมเป็นวิธีฝึกสมาธิในเบื้องต้นก่อนพอฟังธรรมไปต่อไปจะมีสติมากขึ้นแล้วต่อไปไม่มีการฟังธรรมก็ดูลมหายใจได้พุโทโธได้ ถ้าดูลมได้หรือพุดโธได้มันจะสงบมากไปกว่า น, นั้นอีกบางทีมันจะเข้าไปจนกระทั่งหายไปหมดเลยเสียงเสงิงนั่งกุงน่างกายนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวเหลือแต่ความว่างหรือความสบายอกสบายใจนนั้ถ้ายังทําถึงจุดนั้นไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอาศัยสติจากการฟังธรรมไปก่อนมีอีกไหมอ า, าจารา์ครับ ตอนนี้ที่พิจารณาธรรมานุสติครับท่านอาจารย์ครับการพิจารณาธรรมานุสติการพิจารณาธรรมานุสติคือ ก, การพิจารณาลงไปถึงไตรลักษณ์ใช่ไหมครับใช่คือคำว่าธรรมจริงๆเนี่ยมันคืออริยสัจสี่กับไตรลักษณ์แต่อย่างอื่นแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมได้เช่นการพิจารณาร่างกาย ก, ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งการพิจารณาเวทนาก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งการพิจารณาอารมณ์ของจิตก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งแต่ ตัวธรรมจริงๆที่เราต้องพิจารณาควบคู่กับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็คืออริยสัจ ส, สี่กับใจรลักเราถึงจะได้แก้ปัญหาได้แล้วการพิจารณาธรรมานุสตินะครับการพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้การเข้าสู่สมาธิและถึงอันปนาสมาธิได้ไหมครับ ไม่ได้เราเพราะความจริงธรรมนุสติจริงๆนี่มันอยู่ในใจเราต้องอาศัยาการพิจารณาร่างกายหรือการเจริญสติด้วยด้วยร่างกายเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาให้จิตเข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบจิตจะเข้าข้างในแล้วพอเข้าข้างในถึงจะเห็นธรรมเหล่านี้ที่มีอยู่ข้างในใจอยู่แล้วคืออริยสัจสี่หจากจะเห็นอริยสัจสี่นี้ต้ง ต้องมีสติถึงอยากเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจได้ต้องดึงใจเข้าข้างในใจต้องเข้าสู่ความสงบพอจิตใจสงบแล้วทีนี้ใจก็จะเวลาเกิดความอยากก็จะเห็นขึ้นมาทันทีเกิดความทุกข์ใจก็จะเห็นขึ้นมาทันทีอันนั้นเห็นแบบสดๆร้อนๆถ้าเป็นแบบภาษาปัจจุบันก็คือถ่ายทอดสดเหมือนดูฟุตบอลเนีถ่ายทอดสดกับดูที่อัดเทปมันไม่เหมือนกันะ อริยสัจสี่ของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนของที่อัดเทปไว้บันทึกไว้แล้วเรามามามามาดูมามาพิจารณากันแต่มันไม่ได้อยู่ในใจใท่ไมมันอยู่ข้างนอกใจอยู่ที่ความจำเราฟังแล้วเราก็จำว่าโอ้ทุกเราเกิดจากความอยากถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เราก็จะละความอยากได้อันนี้มันเป็น เป็นเป็นของที่บันทึกไว้แล้วแต่ต้องเห็นแบบสุดๆล้อนๆในใจเช่นทุกเพราะว่าสูญเสียคนรักไปต้องพิจารณาว่าออกคนรักนี้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราห้ามเขาให้จากเราไปไม่ได้เราจะเรียกเขาให้เขากลับมาก็ากลับมาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขากลับมาเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยาก ปล่อยเห้าจากไปอันนี้ต้องเห็นสดๆสรดสด้อนๆภายในใจถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติเข้าใจไนหะอคือธรรมนี่มันมีสองสองส่วนไงธรรมจริงกับยังธรรม ทำทำแท้กับทำที่ไม่แท้ทำที่ไม่แท้ก็คือทำที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้เป็นธรรมที่ยังไม่ไม่ได้เข้าไปในใจเราหรือเรายังไม่ได้เข้าไปในใจไปเห็นธรรมที่มีอยู่ในใจเราเราเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นนี้มาศึกษามาทําความเข้าใจมาทําความรู้จักแต่เรายังไม่ได้เจอตัวธรรมจริงๆที่มีอยู่ในใจเรา จะเจอก็ต่อเมื่อเรามีสติเพราะถ้าเราไม่มีสติเวลาเกิดทุกข์เราก็ไม่ดูที่ใจเราเราไปดูคนที่ทำให้เราทุกข์ ก็จะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความอยากของเราที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะไปแก้ที่คนที่ทำให้เราทุกข์เขาพูดไม่ดีก็อาจจะไปขอร้องเขาพี่อย่าพูดไม่ดีนะพูดไม่ดีแล้วไม่สบายใจถ้าเกิดเขาไม่ไม่ฟังเราเราจะทำไงเขาก็จะพูดไม่ดีไปเรื่อยๆรืเราก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยเื่ออันนี้แสดงว่าเราไปแก้ปัญหาผิดจุด พะเราไม่เห็นต้นปัญหาของความทุกข์เราว่าเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาพูดดีๆกับเราแต่ถ้าเรามีมรรคือมีปัญญาเราก็ต้องเห็นว่าเขาเป็นไตลักษ์บางทีเาก็พูดดีบางทีเขาก็พูดไม่ดีเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาพูดแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้ เ, ออเมื่อสั่งไม่ได้เราอย่าไปอยากมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ก็อยากไปอยากปล่อยให้เขาดีไปไม่ดีไปวันไหนเขาอยากจะพูดดีก็ปล่อยเขาพูดดีไปวันไหนเขาไม่อยากพูดไม่ดีก็ปล่อยให้พูดไม่ดีไปเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอันนี้มันต้องเกิดขึ้นไปภายในใจถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติเป็นธรรมแท้ธรรมจริงธรรมมันมีสองระดับธรรมนอกกับธรรมในธรรมนอกยังไม่เป็นธรรมแท้ ต้องเป็นทำในทำในจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิจิตเข้าข้างในแล้วการทำสมาธินี่ให้ดึงจิตเข้าข้างในพอดึงจิตเข้าข้างในแล้วที่นี้จะเห็นทำแท้และเวลาทุกข์มันจะไม่ไปโทษเขาแล้วจะโทษความอยากของเราแล้วจะแก้ที่ความอยากของเราไม่ต้องไปแก้เขาเราแก้ความอยากเราได้เขาจะดีจะชั่วไงไม่ทาให้เราทุกข์อีกต่อไป พูดนี้เข้าใจั้ยเข้าใจแต่ทำไม่ได้เพราะกว่าจะเข้าข้างในได้ไมัมยากเพราะมันมีแต่ตัวจะคอยดันเราออกข้างนอกเกื่อยเลยคือตันหาความอยากนี่อยากในลูกเสียงกลิ่นลดอยากไปนูน่นอยากมานี่นั่งสมาธิได้สองสามนาทีก็อยากจะลุกแล้วเนียมันถึงเข้าข้างในไม่ได้ ธรรมานุสติมันจึงไม่เกิดธรรมานุสติก็คือปัญญานี่การจะก่อนจะเกิดปัญญาได้ต้องดึงจิตเข้าข้างในก่อนถึงจะเห็นความจริงเห็นธรรมเห็นอริยาสาัจสีที่เป็นเป็นหัวใจของปัญหาทั้งปวงอยู่ที่ไหนอริยาสาัจสีนี้คำถามจะคุณกิตติ การถือข้อวัดไม่นอนพอหลังเที่ยงคืนตอนเดินจงกรมสลับนั่งบนเก้าอี้สติอ่อนมากจนสับประงบอยากทราบว่ากรณีที่เราง่วงมากๆเราควรมีอุบายแก้ไขอย่างไรเพื่อให้อยู่ถึงเข้าแบบมีคุณภาพคือการจะถือการปฏิบัติแบบนี้มันต้องดูกำลังว่าเร า, เาแก้ปัญหาเรื่องความง่วงได้หรือเปล่าถ้าก้ไม่ได้ก็ทาไม่ได้ คนบางคนนี้ต้องมีสติมากมีสติสมาธิเนี่ยจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยง่วงจะไม่ค่อยนอนนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วถึงแต่ถ้าพวกคนที่เคยนอนแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วจะมาถือในสัตว์จะไปถือให้เสียเวลาเลยมันไม่มีกำลังที่จะไปฝืนความง่วงได้หรอกอยันอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เขามีพลังจิตมีกาลัง กุบาจารย์ไม่ใช่ทุกรูปจะถือการการไม่หลับนอนได้หดวงตาท่านก็บอกว่าไม่ถูกเจริญกับท่านท่านก็ไม่ถือเนสัตชิกแต่ท่านถูกกับการอดอาหารท่านก็จะถือการอดอาหารแทนอดทีละห้าวันเจ็ดวันค่อยกลับมาฉันสักครั้งหนึ่งแล้วกลับไปอดใหม่เพราะว่าอดอาหารมันก็ไม่ง่วงฮะมันก็ไม่ต้องนำมาถือเนสัตชิกให้เสียเวลาเพราะมันก็ไม่ง่วง มันจะหลับมันก็ไม่หลับเพราะมันหิวอยู่เรื่อยๆนันแต่ละวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราถือในสัตชิกไม่ได้ก็อย่าไปถือเลยอาจจะไม่ถูกเจริญกับเราลองมาถือการอดอาหารดูหรือถ้ายังง่วงอยู่ก็ลองไปอยู่ในป่าช้าดูอยู่ป่าช้าอา จ, จะไม่ง่วงคิดถึงผีตลอดเวลา ใช่ไหมหรือไปอยู่ที่เมนก็ได้ เ, เมนที่เขาเผาศพตอนคืนขอพระว่าผมขอไปนั่งภาวนาที่เมนหน่อยบางวัดรู้สึกว่าเขามีทําห้องให้ภาวนาในในในในตึกเมนเลยเนี่ยมีห้องขึ้นไปให้ไปภาวนาในตึกเมนอทั้ง่วงนอนรับรองนะไม่มีวันหลับ <laughs> นี่นี่คือวิธีการแก้วความดับต่างๆมีหลายวิธีถือในสัจจิก็ถือไม่นอนเอาแท้สามปีดาบท คือถ้าจะหลับก็ขอให้หลับในสามีรยาบทคือไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งแตมจะไม่เองหลังถ้านอนแล้วเดี๋ยวมันจะหลับยาวไงถ้าหลับเฉพาะตอนที่นั่งมันก็คอพับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็ตื่นขึ้นมามันจะนอนไม่มากแต่ถ้าพอได้เองหลังนอนเข้าไปนี่มันยาวเลยถ้านเลยให้ถือในสัตว์ชิกให้ถือสามิรยาบทคําถามจากคุณทามคีเปอร์ ลูกเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดบนเขาแล้วนอนต้องนอนบนเขาคนเดียวตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับมีความหวาดระแวงกลัวผีอยากจะรบกวนพระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำวิธีคมใจให้สงบหน่อยครับ ถ้าเรายังไม่มีสติพอเราจะข่มใจไม่ได้งั้นเราต้องมฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆพอเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้พุโทโธข่มมันถ้าเราข่มได้ต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่หน้ากลัวหน้าหวาดเสียวได้แต่ถ้ายังข่มใจไม่ได้ถ้าไปอยู่ที่หน้ากลัวเดี๋ยวก็โกยมีคนบางคนอยากจะมาลองภาวนาบนเขานี่พออยู่ได้แค่สองทุม่มขอกลับบ้านนะหลอกเห็นอะไรเป็นผีไปหมดวะ เพราะฉะนั้นถ้าว่าเห็นอะไรเป็นผีต้องรีบพุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดความความเห็นเหล่านั้นให้ได้ถ้าไม่หยุดนะมันก็ยิ่งเห็นใหญ่ยิ่งเห็นก็ยิ่งบูงแต่งใหญ่เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาใหญ่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้ขอกลับบ้านก็มีเพรนั้นการที่เราจะไปต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆของเรานี้เราต้องมีเครื่องมือมีอาวุธอาวุธก็คือสติ ที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะสัจการจเจริญสตินี้จเจริญได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็สามารถจเจริญสติได้เช่นทํางานก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับงานที่เราทําก็ได้ถ้างานที่เราทําไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาอาบน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ เราก็สามารถใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าปล่อยให้คิดอดีตคิดอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ได้ถ้าเรามันฝึกสติแบบนี้ต่อไปเวลาเราอยากจะให้มันนิ่งให้มันไม่มีอารมณ์เราก็สามารถทำได้เห็นต้องพยายามฝึกสติก่อนเมื่อมีสติแล้วทีนี้เราก็เอาสาติมาข่มอารมณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณเดินตามธรรมะมีสองข้อคะ่ะ ข้อหนึ่งเวลาฟังธรรมะมากๆแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเราจะสอนตอนเองอย่างไรเวลาอะไรมาฟังธรรมะมากๆค่ะรู้สึกเบือเบ่อหน่ายค่ะก็หยุดฟังบ้างก็ได้ทุกอย่างมันก็เบื่อได้ถ้าจําเจอาจจะเปลี่ยนอาจารย์บ้างก็ได้เปลี่ยนอ ฟังแบบนี้แล้วเบื่อก็ลองเปลี่ยนลองฟังหลวงพ่ออยองหนึ่งดูเอหรือไปอ่ า, อานหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างก็ได้ก็ลองเปลี่ยนรสชาติธรรมะก็เป็นเหมือนอาหาระกินไข่เจียวทุกวันมันก็เบื่อได้ะก็เปลี่ยนไปเป็นข้าวผัดบั่งไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวบ้างเออหรือถ้ามันเบื่อมากๆก็หยุดแล้วก็แทนที่จะ ฟังเทศฟังธรรมก็มาพุโทโธพุธโทโธมาผักสติแทนมานั่งดูลมหายใจเขาออกแทนไปก็เปลี่ยนสลับกันได้ไม่ใช่ว่าจะให้ทำทั้งวันทั้งคืนก็ฟังเทศอย่างเดียวฟังเทศก็ความจริงฟังวันละครั้งวันละชั่วโมงก็พอกินละเพราะว่าใจเราไม่สามารถที่จะดูดซึมธรรมะ ต, ต่างๆที่เราฟังได้หมดอยู่ดี มันก็เลยเบื่อเพราะว่ามันไม่ดูดมันไม่ดูดเข้าไปในใจแล้วถ้ามันดูดมันจะไม่เบื่อเวลาเรามันดูดอะไรดูดดื่มกับอะไรมันจะไม่เบื่อ พอมันอิ่มตัวแล้วมันจะเบื่อถ้ามันเบื่อเราก็ต้องเปลี่ยนแทนที่จะฟังธรรมเราลองมาเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธดูหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกดูสลับกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาหรือเปลี่ยนครูบาอาจารย์บ้างก็ได้ฟังหลวงพ่อตรงนี้แล้วก็ลองไปฟังหลวงพ่ออีกองก็ดีจะได้มีการเปรียบเทียบดูว่าท่านสอนเหมือนกันหรือเปล่าเนื้อขัดกันตรงไหน เราจะได้รู้ว่าเอา่อตรงนี้มันขัดกันเราจะได้ค้นคว้าดูว่าใครถูกใครผิดก็ได้ อ, อันนี้ครับการศึกษาธรรมะมันก็บางทีก็ต้องอาศัยาการเปรียบเทียบเพราะเราไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์รูปไหนท่านรู้จริงร ร, รู้ไม่จริงบางทีรู้จริงแต่รู้ไม่ครบรู้บางส่วนาบางองค์รู้หมดรู้ครบทุกอย่างพอฟังแล้วก็จะสามารถที่เปรียบเทียบกันได้ ก็จะทาให้เราไม่เบื่อและเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติของการฟังธรรมบางบางองค์ท่านก็เทศแบบเรียบเรียบง่ายๆบางองค์ท่านก็แบบดูเดือดนั่นก็มีมันก็จะทาให้เราไม่เบื่อคะข้อสองนอกจากสติแล้วมีธรรมะข้อใดที่เราจะนํามาใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ก็ปัญญาสติแล้วก็ปัญญาปัญญาก็มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังอะไรจากใครไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนักการเมืองก็บอกว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรในการเมืองสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลาวันนี้อยู่คัวนี้พรุ่งนี้ไปอยู่อีกคั้วหนึ่งก็ได้ดังนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมเงินถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเตรียมเงินถ้าอยากจะใแม่เขาเปลี่ยนก็ต้องมีเงินเยอะๆพอเขาจะเปลี่ยนก็ทุบเงินฟาดหัวใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจกลับมาอยู่กับเราได้ถ้างเงินไม่พอเดี๋ยวเขาก็ไปหรือแม้แต่แฟนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แฟนบางคนนี่ถ้าพอเงินหายความรักก็หายไปพอเงินมาความรักก็กลับมาก็มี นั้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนต้องหัดพยายามเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจถ้าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอมันไม่เป็นปั๊บนี่จะทําใจไม่ได้เี่ยบางคนเดินกับฆ่าตัวตายกันเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอสูญเสียคนที่รักสิ่งที่รักไปนี่ไม่รู้จะทํำยังไงก็งจะคิดแต่ฆ่าตัวตายอย่างเดียว คำถามจากคุณริกิดีเคยภาวนาและพิจารณาในข้อธรรมบางข้อรู้สึกว่าเราเข้าใจในธรรมะข้อนั้นจนปิติคล้ายจะไม่มีวันหลงลืมแต่พอนานๆนนไปความรู้นั้นเสื่อมลงแต่เมื่อทำไปอีกก็จะเข้าใจอีกครั้งแต่แล้วก็จะเสื่อมลงอีกเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะมันยังเป็นความจำอยู่ต้องออกไปใช้กับเหตุการณ์จริงมันถึงจะจะจาได้ เช่นพอคนเขาดา่าเราก็สาธุสาธุไปต่อไปมันก็จะจําได้ว่าเวลาใครดา่าเราอย่าไปโกรธเขาเพราะพอไปโกรธเขาปั๊บใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าพอใครดา่าเราแล้วเราจำได้ว่าเราต้องสาธุรีบสาธุไปเราก็ไม่โกรธไม่เสียใจ ต่อไปมันจะจําได้แต่ถ้าเพียงแต่เป็นทฤษฎีนั่งคิดอย่างนี้มันยังไม่ได้เจอของจริงตอนนี้จําได้ว่าเออใครด่าเราต้องสาธุสาธุนะสาธุเราจะสบายใจนะออพอคิดมันก็สบายใจแต่พอไปเจอของจริงลืมเหมือนก็ไดออ้พอใครด่าขึ้นมาลืมไปเลยแทนที่จะสาธุกับดา่ามันกลับเลยเ อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มันยังไม่เที่ยงถ้าเป็นการปฏิบัติแล้วมันเที่ยงมันจะอยู่กับเราจะไม่ลืมความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะไม่ลืมใครตบหน้าเรานี้จบได้แต่ถ้าคิดว่าเขาเขาจะมาตบเรานี่ยังคิดไปเฉยๆ น, นั่นเองพอไม่คิดถึงเขาก็ลืมได้แต่พอเขาตบหน้าเราปั๊บทีนี้ไม่ลืมแต่ถ้าคนเข้ามาสอนเราบอกระวังนะคนนี้เขาจะจบหน้าเธอแนละ้วก็ฟังรับรู้ไว้เดี๋ยวเราก็ลืมได้ แต่พอเขาตบหน้าเราคนเดียวนะทีนี้ไม่ลืมนะจะจำไปจนวันตายเลยงั้นความความรู้นี่มีสองแบบความรู้ที่เรียกว่าสัญญากับความรู้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติสัญญาก็ความรู้ที่เกิดจากความนึกคิดเนี่ถ้าเกิดจากความนึกคิดนี่มันลืมได้แต่ถ้าเกิดจากเหตุการณ์ความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอันนี้จะไม่ลืม yeah. คำถามจากคุณวชิรวิทย์กราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับตอนนี้ถือศีลแปดได้เป็นวันที่หกแล้วตอนนั่งสมาธิมักฟุง้งกำหนดพุดโทโธได้แป๊บก็ฟุง้งทำอย่างไรครับและอ น, นิสงส์ศีลแปดมีอะไรบ้างครับก็ต้องพยายามพุโทโธต่อไปอย่ายอมแพ้ถ้าเราหยุดพุดโทโธก็เหมือนรถเนะี่ยถ้าเราปล่อยเบรมันก็วิ่งต่อไปต้องคอยเหยียบเบรไปจนกว่ามันจะหยุด ถ้าอยากจะให้ลดเป็นยุดต้องเหยียบเบรกไปอย่าปล่อยเบรกถ้าปล่อยเบรกมันก็วิ่งต่อกันใดถ้าเราไม่พุทโธไปเรื่อยๆมันก็ฟุ้งขึ้นมางั้นมอมันฟุ่งเราต้องรีบพุทโธไม่ใช่หยุดพุทธโธแค่นี้ง่ายๆยังต้องมาถามแสดงว่าไม่ได้พุทโธถ้าถ้าพุทโธเราจะเข้าใจพอเราพุทโธพุทโธความพุ่งมันก็จะหายไป แต่ไม่ใช่พุโทโธแค่ปุ๊บเดียวมันจะหายปับนะ๊บเนี่ยมันก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอาจจะสี่ห้านาทีสิบนาทีก็ต้องพุโทโธไปพยายามทุดโธไปเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองเนี่ยถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธแล้วก็รับรองได้ความฟุ้งมันต้องหยุดนะแต่ถ้าเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่ความฟุ้งมันก็จะไม่หยุดนะ คํามจากคุณทัศนีลูกลองฝึกรักษาสินแปดในวันหยุดทำงานเพื่อจะได้มีเวลาฝึกสติอยากทราบว่าหลังเที่ยงวันนอกจากน้ำเปล่าแล้วเราสามารถทานน้ำพึ่งได้หรือไม่เจ้าคะถ้าทำตามพระก็ได้พุทธเจ้านุญาตให้พระฉันเภสัทห้าชนิดคือน้ำพึ่งน้ำอ้อยคือน้ำตาลน้ามัน้นน้ำมันเนยข้นเนยยเหลวเนยข้นเนยใส แล้วก็น้ำมันอันนี้เป็นถือว่าเป็นยายาอาจจะไปรักษาเรื่องกระเพาะหรือว่าเรื่องของกำลังวังชาบางทีมันขาดอาหารเลี้ยงแรงมันอาจจะน้อยพอดื่มน้ำผึ้งเข้าไปหน่อยดื่มน้ำตาลเข้าไปหน่อยมันก็ได้พลังงานขึ้นมาพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระดื่มหลังจากเที่ยงวันได้หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ดื่มน้ำปานะ น้ำปะนะก็คือน้ำผลไม้ที่คั้นมาจากผลไม้ที่ผลไม่ใหญ่กว่ากํำปั้นถ้าเป็นผลไม้ใหญ่กว่าเช่นแตงโมมะพร้าวพวกนี้สับประรดนี้เอามาคั้นดื่มน้ําไม่ได้เพราะมันใหญ่เอาพวกผลไม้เล็กๆเกช่นเอางูนแอปเปิลส้มอะไรพวกนี้มาคัน้นแต่เวลาคั้นเสร็จก็ต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดกับน้ําแยกเนื้อออก แล้วก็ดื่มน้ํานั้นเพื่อให้พลังให้กับพลังแก่ร่างกายเพราะถ้าชันมือเดียวรือถือฉันนัประทาถือศีลแปดนี้ร่างกายมันอาจจะมีความอิดโรยในตอนตอนบ่ายตอนเย็นพอได้ดื่มพวกของเหล่านี้มันก็จะทําให้มีกําลังวังชาเพื่อที่จะได้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อได้ <c oughs> หมดแล้วเลย <c oughs> โอเคก็พอดีหมดเวลา